ผนึกถึงอาจารย์หลวงพอ่อศรีจันทร์หลวงพ่อศรีจันทร์นี่เป็นพระที่อาศัยเลือขึ้นลงระวงังอาศัยเรือไฟแล้วนะระวงังไอ้เชิงคานไปหาหลวงพ่อบางในยะไปห า, าเรื่องจันทร์เนี่ยเป็นค่าข่าขายดันส่งของก็เลยว่าส่งออกต่างประเทศให้ประเทศเล่าเลยนะ น้ำเข่าของน้าของออกน้าของเขา่าหลวงพ่อสีจันเนี่จะเดินทางระวังไทยกันเล่าไปไปเผยแพร่แล้ว่าก็เลยได้สนทนณะธรรมะก็หลวงพ่อสีจันทร์เป็นประจำที่เราก็คิดว่าพรรษาเนั่นเราจะไปจำพันศาก็หลวงพ่อสีจันแต่ปรากฏว่าพ่อไปฮอดอำเภอสีเช้างไม่นี่ยออกจังหวันไปฮอดอำเภอสีเช้างหม่วัดศีคุณเมืองปรกากหลวงพ่อสรีจันว่าปุณณ์จะไปจำพันศาหลวงพ่อบางแต่ว่าหลวงตายอยู่เนี่ยหนูเลือดซีเรวงหลวงพ่อวันทอง เป็นข레이กา ร, กรเกษียนมาบวชปฏิบัติธรรมก็เพลินแล้วกัเพล่นเลยบอบให้หลวงพ่อวันทองอดูแลนักปฏิบัตินะสำนักนะั้นเป็นสนักปฏิบัติที่นี่หลวงพ่อวันทองนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมหาปานที่หนึง่งนั่นทุกสิบห้าคำเนี่ยในพรรษาทูกสิบห้าคำหลวงพ่อมหาปานได้ข้า ม, มาเทิดอยู่ที่วัดศรีคุณเมืองเนี่ยมาสอบอารมณ์นักปฏิบัติย จะบอกกฏว่าในช่วงในพรรษาเนี่ยนให้นักปฏิบัติทาตินิ่งไงนะทำติงนิ่งนะตินิ่ ง, งไปเรื่อยๆแต่ในช่วงที่หลวงพอ่อมหาปานบอกคา ม, มากกับหลวงพ่อวันทองอ่ยสอนเรื่องกรรมฐานห ล, ลายๆอย่างสอนเรื่องมรณัสติเนี่ยสอนเรื่องบริกรรมอันนั้นตามที่เราเคยหูมานี่นะแต่เราบริสอนตามอาจารย์เพราเราเป็นพระ บดบูโดนคือกันเป็นหลวงตาเนี่ทีเมื่อหลวงพ่อมหาปานมาสอบอารมณ์แต่ละเธอแต่ละเธอคุณก็บอกที่ปฏิบัติไปโจนเป็นออกพันษาคุณว่าพันษานั้นมีพระนีสิบสามมีพระนีสิบลูกมีโยมหาคนเป็นผู้ยิ่งสามเป็นผู้ชายสองผู้ชายเล่ากับนหน่หอยพมุกที่ไปน้องกันนั่น ถ้าปรากฏว่าในช่วงและพรรษานั้นเราเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วละ่ะว่าตามที่เพื่นเฮ็ดสอนในเรื่องไหวหนิงค่ซ่าเนี่ยเพื่นก็พิจารณาว่าเราเฮ็ดหนอเฮ็ดพุดโทโธมากตั้งแต่ระบวชไปนเน้นแล้วว่าเมื่อมาเฮ็ดติ่งหนิองอีกมันก็เป็นการเพ่งคืดกันบทตังกันหนอบทตางกพุ ท, กทโธอ่ะแล้วก็เฮ็ดไปยังเงมันก็เฮ็ด นอก็เหตุมา่แล้วพูโท้เห็ุเมื่อแล้วก็บอกเป็นอย่างขึ้นมาทำไมเหติงิ่งเพ่งขึ้นกันอันเดียวกันก็บอกพ่อจะเป็นอย่างขึ้นมาอีกคุณก็มาพิจารณาว่าไอเหติงหนิ่งเพื่ออย่างเนี้ยนะว่าเพื่อเพ่งคืออย่างคุณก็ซ้อมเบื้งเหตุไปซ้อมเบื้งไปเหตุไปซ้อมเบื้งไปอ๋อเป็นการเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะเข้าสู่ใจซื่อเนี่ยเพราว่าหนอกบูผูท้วงเว่าขึ้นแบบติงนิ่งนีอกันเพื่อเป็นการล่าเลี่ยงตัวสติ สัญมญมาเขาสู้ใจเฮยั้งสั้นเขาก็บอจะเป็นเหตุซ่าได้เลยว่าเหตุด้ว้ก็ได้แล้วก็นมาเหตุแบบทีที่เขาเห็ุซื่มือนี่นะเพราะของติงนิง่งแถมันซ่าได้เปล่เขามนจะจับอย่างเาอจออะไอก็ไปใช้ซ่าบอเอถ้าเขาเอาเป็นที่ตั้งของตัวลู้สถิตสัญญาเราก็กกจะเป็นต้องซ่าก็ได้ก็เหตุปกติกเปยังแล้วก็เหตุตามปกตินะแต่หลวงพอ่อ มหาป่านบะลู่เลยเด้เราเมืเปลี่นวิธีการของเราเนี่นะเราก็นึกว่าจะเหตุตามนั้นบัตรพีบัตรตอนออกพรรษาก็ยังออกพรรษาแต่คนเี่จะกลับปานเขาเลยสอบอารมณ์เมื่สอบอารมณ์สอบพันไปแล้วไปคุนสุดทายสอบแล้วไปค้นสุดท้ายแล้วว่าอพี่จะยถามแล้วว่าหูจักลูกช่วง้จักลูกจา ก, กน้ําแลยเบล่แล้วก็แล้วก็หูจัก ลูปเป็นยังไงน้ำเลกแล้วคุณแจคคนบูฮุงแจ็ครูปจ้งน้ํามือนกักแต่บูฮุงแจ็คจะของนะนะ ว, ว, วทุกคนบูฮงจ็คลูปจ้งน้ำหมดเลยแ้วมั่นใจนั่งใดบูฮุงจ็ครูปแจ้งน้าเพื่อก็มั่นใจด้เบืงซมมือด้วยแล้วเร า, เ ร, าเรื่องที่ว่าขณะที่เราเนี่เมื่อปองต๊กเสาขาแล้วเนาะตามุที่เ่องหรือไม่งอดตุกสขาเนี่ตามุดทีงง่เาอยายาเนากระดองปัดทิ่มเม่นเวลา เดี๋ยวนี้วันนั้นปรากฏว่ามมงปองทุกสายข่าวปั๊บหนึ่แล้วก็เบึ้งซื่อนะแมงปองก็บริเหตุยังแมงปองบอกว่าเอ๊แล้วก็ไปเข้าใจโอ้แมงปองมันก็เป็นลูกห้องก็เป็นลูกขาแตัวลูกตัวลูกมันบริเหตุอย่างกันได้นะว่าไอที่เป็นตัวไปยานไปไล่ไปตีไปฆ่ามันมันมันตัวลูกมันตัวน้ํำน้ําตัวน้ํำมือลูกตัวลูกตัวน้ําที่มันเกิดเพราะความบัลูนี้ไปปัดแต่นี่เพราลูก แล้วก็บไปตั้งสติเบื้งว่าแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองนะโดยสตินั่นนะพอตกสักปับเราก็เบาตกเสงอเบาตกใจแล้วก็เบรรเซีโดนเติบแล้วก็เอะไรไม่ไม่เคลียออกก็ไปแล้วเข้าใจลูกน้ําตัวนั้นนะในภาษาเนะ่ะเข้าใจตอนใดตอนแม่งปงล ong ก o c c a r o l o นะนะั่นแหะเอ้ลูกก็ปลูกน้ํากับน้ํามันบเหิตอย่างกันที่ตัวลูกตัวนั้นนะตัวรูกที่ทุกซึกตัวแล้วบอกว่า ที่เฮ็ดแบบเพ่งเพงเนี่ยมันบอกเกิดสติมันสมาธิมันหลายโพดมันก็เลยดูรูที่บอกพ่อพอร้องเปียนการเคลื่อนไหวมันเร็วขึ้นเนี่ยดูรูเนี่ยดูรูท่านมันไว้พอไม่ขามึงปองทุกข์ขาป้อไปซีมันมาปุ๊บเลยนะะตามบทนี่แล้วมันจะบวบไว้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเพ่งแต่ตัวนี้แล้วเอาตัวเพ่งออกมันได้มาเป็นตัวรูซื้ออจากหันมาแล้วบอกว่าตอนมันรูไอรูปน้ําก็มานรู เรื่องสมมุดเรื่องสมมุติแล้วลว่าเอาเดินจูกลมระวังตนตนคอยเนี่ยระังตนคอยในถงภาษามันมีขี้เค็บตัวหนึ่งเลยเลนพานเลนพานก็ยว่าเห็นขี้เค็บนะเขาเห็นขี้เค็บแล้วก็เออก็ว่าเห็นลูกทีวเขาสมุดว่าไป็ขี้เค็บอะ มันเกี่ยทำนาทีของมันเลอเนี่ยทำนาทีของของลูกของมันเขากระทำน้าทีของเขาเจ้าโคตรทำน้าทีมันภูเหตุอย่างกันเนี่ยก็บังหูลูกทำน้ำทำลูกก็ะทำนาทีของลูกน้ำก็ะทำนาทีของน้ำมันมันมันทำนาทีของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะโดยที่เรต้องไปคิดเอามันเป็นอยู่เปิดกับบังหูเรื่องลูกทำน้ำทำลูกหลหลุไปเป็นสาวเง้ยวไปเปิดว่าอารมณ์ลูกน้ำเนี่ยบังหูจักถึงหอยสมุด สมุติว่าสมุดทั้งมดทั้งปวงในโลกเป็นสมุมดมัดในสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสได้เนี่ยอแต่ว่าสมุดหล่านั้นเหมือนกับเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นิจจังทุกขั้นาตาแต่ว่าตัวสิ่งหนึ่งที่บรแม่สมุด ต, ตามเลยคือตัวหู้นี่แหละตัวหู้มิตัวเดียวอดัะนั้นเราก็ไปแยกสมุติออกศาสนานี่ก็สมุตดแต่ตัวหู้นี่เป็นตัวาศาสนาแล้วว่า ตัวพุทธศาสนาคือตัวรูตัวนี้โดยสติสปัญญาเนี่คือตัวพุทธศาสนานะแล้วตศาสนาก็มีอยู่แล้วในคนทุกคนว น, นี้แต่ว่าศาสนาคนที่หูแล้วเอาไปสอนไปหู้จํามาเนี่ยก็เป็นศาสนาคือกันเป็นศาสนาคําสอนอเป็นบรมพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาหมายถึงรูลแล้วเอามาใส่ได้ ด้วยสติ อ, ปญญอตตัปัญญาคือตัวสติปัญญาอื่นนั่นแหละคือพุทธศาสนาผู้นั้นจะเป็นพุทธระบบเป็นพูดธก็ตามก็ถือว่าเป็นชาวพุทธหู้แล้วมาใส่ได้แล้วก็มาแก้ปัญหาดับทุกข์กัเจ้าของได้ดีถือว่าคนนั้นเป็นพุทธศาสนาแล้วละ ว, ว่ะแต่ตัวคนเนี่คือตัวศาสนาแต่คนนั้นมีปัญญาสามารถดับทุกตัวเองได้ผู้นั้นก็เป็นชาวพุทธนะ ว, ว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็มารู้จักเอออันนี้มันเป็นปรมัตป ร, ตรมัตคือตัวหู้นี้มีอยู่แล้วนะหู้จักศาสนา หู้จักพุทธศาสนาแต่ว่าหูจักเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอย่างต่างหูจักตอนลูกน้ำพุทธะนรกก็คือใจเป็นบุสบายนั่นแหละคือนรกสวรรค์คือใจสบายแล้วนรกก่อนเกิดหลังตายสวรรค์ก่อนเกิดหลังตายบุตรสมคันตวมีก็ได้บุมีก็ได้แต่ของแท้คือว่าใจของเขาเนี่ใจดีใจเสียใจสบายบุสบายนี่จริงอันนี้คือนรกของจริงสวรรค์ของจริง แถ้าคนใดใจดีกะือขึ้นสวรรค์คนใดใจผูดีกะเป็นทางไปนรกถ้าหากว่าชี้ใจซื่อๆบ่ไปดีใจเสียใจน้ำทิ้นมากระทบน้ำมันเอาเป็นทางไปนิพพานตะโมูหทั้งไปนิพพานว่าในขณะที่ทำความเพียรอยู่อย่างเสียแล้วกว่ามันมีอยู่แนวหนึ่งที่มามาแกแทะค่างเราปึกแล้วก็หวกหาว่าเอ้ผู้ใดมาเอาอย่างมาสุกข่างมากะแทกข้างเราเบื้องหาใจก็บเบี้ แล้วก็เลยว่าโอ้ตัวนี้ขึ้นตัวความขืดมันแห้งไปนี่นะมันมากระแทกก็รอดนะนะแต่ตัวคณดที่รู้เนี่ยเพรมีความคิดมื่กระแทกปั๊บนั้นมันเรารู้ซึกกระตุกเลยนะเพราะจริงอะว่าอ้อขันหามันดูจะขันหะว่าขันทั้งห่าไปของนักแต่ความขืดที่มันไหลเข้ามาเขาจริงมันมันมาแห้งแต่ว่าเขาบุเมียนะอแต่ว่าเราพูดซึกคักอีกทีบนั้นนะอมีคนมาซุกข้างเราว่ะมีคนมากระแทกข้างแล้วคือเป็นความคิดนี่แหละ มันมาเป็ตนปตัวเป็นตัวเด่นะเพราะฉะนั้นตัวเวลาญาณปัญญามันเกิดแล้วมันเหตุอย่างคักนะเห็นหน่อยมันมันว่ามันเป็นหลายเพราะนั้นในพรรษานั้นแล้วก็เข้าใจทะลุบูโปรมดในเรื่องนั้นนี่แล้วก็บอากาให้ผู้ใดฟังจนกระทั่งหลวงพ่อมหาปันมาสอบอารมณ์เราเนี่แล้วตอบได้มดหลวงพ่อมหาปานถามอารมต่อไปว่าอมาผิดเพศบอกออก สอบอารมณ์มีปัิศนาบอกบาเพชเอ้าคือบนนี้บาเพชรอดีตมะผิดเบาเมื่ออยู่ที่ลิ่นผมนี่มันก็เบาเพชรมาเกลือกับเบาเข้มเพราะว่าเกลือเบาโยนอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันน่ะคือเป็นน้ําเป็นปรมาณเกคืออารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าบนว่ามะผิดเพชรหรือเกลือเข้มนี่อันนั้นมันแสดงว่าบาเม่อบาเม่อน้ําแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันก็ไปสมุติเป็นรูปไปแล้วเป็นความคืบเป็นความจำนะเกลือ มะพีกเพชรเพชรตอนที่ไปกินปุ่นจำมากว่าเออนี่มันเพชรแต่คณะเดี๋ยวเนี่ยํามว่ามะพีกเพชรมันโบเพชรมนบอคณะนี้มันโบเพชรอ่ะนะแต่มะพีกกัเพชรกัแต่คณะเดี๋ยวความเพชรที่ลินบูมี่สินะนี่คือคนสอบถามหาอารมณ์มีปัสนาอฮู้จักมีปรสนะคือมั่นคงในปัจจุบันอันนั้นเกิดขึ้นมาให้มาเช็คตัวปัจจุบันก่อนนัเนราะเอาเวลาอยังกระทบปักันเก็ไปสิ่งนั้นก่อนว่าอดีตอนาคตพอใจว่าพอใจไปก็สิ่งนั้น แต่ว่าผู้ฝึกนี่แล้วมีอย่งเกิดขึ้นปั๊บเนมาตรวจสอบคณะลูกน้ำปัจจุบันนี่ที่นี่ก็ะทำไปในเรื่องาบาสุทธิ์ทายควรจะมาถามเรื่องวิปัสสนูจินตญานวิปลาสว่าเวลาปุณไปแล้วเนี่ยควรจะไปจิตติดวิปลาสพอจะรักษาเจ้าของได้บ่ควรก็เลยจังปัญหาถามสุทธทายบาสุดท้ายหลวงพอ่อมหาป่านควรบอกว่าพอ่อ จากนี่พ่อเดินกลับบ้านสมมติออเดินกลับบา้านไปเชิงคันเนี่ยมันจะต้องผ่านป่าพผุ่์เขาสมัยนั้นเส้นทางวัฒนเดบรอยวัฒนดีถนนทัฒนดีไปตามเส้นทางเปลี่ยนทั้งล่อทั้งเปลี่ยนไปเดินผ่านป่าไปเนี่ยถ้าพอได้ข่าวว่าในป่า น, นี่มันมีเสียเจ็บเสียถูกปืนเสือถูกถนนมาจากทั้งอื่นมันมันมันอยู่ในป่านเนี่ย ถ้าทำบทที่เสือเจ็บเสือสันมันมันจะมันจะดุเลยมันบอกมันเห็นแบบมันกัดมดอ่ะนะถ้าสมมติวดนในปลาเนี่ยเสือตัวนมันมกอยู่หันนะพ่อพ่อแกล้ผ่านไปบอกอ๋อต้องผ่านแล้วอาจารย์เอาบุญญาเสือเลยบุญญาในขณะนั้นผมไปมันอาจจะบอยู่หันแล้วนะหรือถ้ามันอยู่มันออกมาอาจจะส่วนก็ได้ว่ตอนนี้มันบูมี่วะนะตอนนี้มันบูมีเสือนะว่าแต่พอผมไปแล้วมันมี่บูมีก็ได้ มันไปหอดผ่นหอจะหูเรา น, นี้คิดว่าสื่อสมมติว่าสือมันอาจจะบ่มีก็ได้หรือมีอาจจะสู้กันก็ได้เงสีนะยอันนี้เพ่นว่านี่เพ่นถามหาว่าทานอารมณ์วิปลาสหรอปองอย่าถามอย่างสนะแต่เพ่อนถามปริศนาธรรมว่าเนเปรียบอารมณ์วิปลาสเหมือนเคร่เสือเสือเจ็บนะมันกัดตายนะว่าอารมณ์วิปัสสนูวิปลาสนี่กันี่ถ้าหากคุณเอาผูใ้ใดไปเข้าใจพิดมุ่งนั้นหคนนั้นอาจจะ อาตายทั้งคิดวิญญาณก็ไดนะ้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดว่ากลับไปนี่จะจะเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาหนะ่ะบุญพุูใดแก่นี้เจ้าจะเพี้ยนเจ้าจะบ้าไปพอสินะบางคนก็ถามเพิ่งเรื่องเสือนะเสือมันกัดได้เอืมแล้วก็ตอบว่าเราไปเข้าใจว่าเออถ้าเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมันก็ยตอนนี้มันบุท่านมีถ้ามีก็แก้ไขได้เลย น, นะมันตอนนี้บุท่านมีถ้ามีก็ติดใจแก้ไขในที่สุดเราก็สแบบรุปเออพอขอนโมทนาน้าเลย ปฏิบัติกับมาทั้งหมดเนี่พอเข้าใจคนเดียวนะครับปุ่นการัญญาติกลับบ้านนะครับที่พ่อเราเข้าใจงส่แล้วไปเลยอ่าเอาพรรษาแล้วครับบ้านกับเพิ่นแล้วว่ามีพอออกทิมไปน้ากันผุ่นึงเอิญพอหอยพอหมุกนี่แล้วว่าไปน้ากันปรากฏว่าก็ยังคือคนเขาจะค่อยเนีไปน้ากันมีอย่งก็ะทำกันคุยกันนั่นบลาแต่ปรากฏว่าที่ไปน้ากันพรรษานั้น เล่าเห็นว่าฝ่ายนํากันแล้วก็มานั่งว่นั่คุยกันอยู่บ่บอ่อยเ้านี่บรไดเรื่องแล้วก็เลยแยกไปอยู่ต่างหากเวลาทําความเพี ย, ยรเวลากลับมาย่าแรงว่ามาพักนะจะมาพ่อกันย่ำเว้นเราก็หนีไปอยู่เดินอยู่กรมอยู่ทั้งนอกคุนนี่ห้อยพอ่อหมกันหรือบกค่อยใจแล้วเราอะเออมาเป็นอย่างคือบรทักบริบทางบรคุยกันแต่ปกติเองสินะเราบอกว่ามันมาคุยกันมันบรไดเมันบรไดเพราะว่าตั้งใจมาปฏิบัติเราเป็นคนจริงจัง แล้วผู้นั้นก็เลยบวเดชพอกลับบ้านแล้วก็ไปเอาเรื่องเนี่ยไปคุยไปบอกให้แม่ยายหอมแม่้านแล้วนะแล้วไปสอนแม่วันเล่าวิธีการปฏิบัติหนสีอแม่วันเราก็เห็นนําท่ำดำดิที่นี่วันแปดคาหรือสิบห้าคำเนี่ยเราก็ไปวัดไปเห็นผู้เท่านะั้นไปมูผู้เทา่าเคยไปฟังท่ำจำศีล น, น้ำกันนะครก็ไปเห็นแล้วก็ไปเห็นบอก มูพุ่าเ่านี้เคยจําฟังทําจําศีลมาแ ต, ต, ต, ต, ต่โดนใดๆโบไปใส่เมื่อใส่ก็มามาฆ่าแต่เคี่ยวหมากเขี่ยวยาน้ากันแล้วก็มาเบานินท่าไปนินท่าเคยกันฟังไม่จบอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไปเไปบอกว่าเจ้าอันนี้ บ, บุได้บุญใ น, นเรื่อง่าฟังทําจําศีลมาค่าในเรื่องเราเนี่ยที่นี่พวกไม่ออกไม่ตดนดูหันหนึ่งแล้วโบค่อยใจ ว่าเราเนี่ยไปมึงลาบมาไปอบรมระทิคอมนิดมาแล้วมาพูดมาว่าวมาไล่ไม่แล้ววะนะแต่เขาบเคคลยังเสื้กเสื้อนะมาโอ้ไล่ไม่เขาบอกพอใจแล้วก็ส่วนเนี่ยที่พี่น้องพอจะฟังเราได้ยมาสอนวันนี้เพราะนั้นมีหลายคนที่เข้าใจธรรมะน้าเล่าที่ที่ที่ฟังแล้วนะเนี่ยที่พี่น้องอามาก็นี่ได้ไปคุยกับผู้เฒาล่านี่อยู่ผู้เท่านี้ตั้งใจปฏิบัติจริงจังเนี่ยเนี่ยพี่สาวเล่าบอกเนี่ยพี่ใขรเผยอย่างต่างๆและผ้ามาปฏิบัติเมื ดนั้นในในการรู้ของเราเนี่ยเราบริวาจะมาอ่านหนังสือหรือมาศึกษาแต่ว่าประสบการณ์ตั้งแต่สมัยระบบเป็นเน้นมากเลยๆเราออกมาเป็นชาวบ้านของเลือนแล้วกันแล้วยังรักษาศีลรักษาธรรมยุติเป็นคนดีนะไปแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านสามสมัยไปน่ะเลือกแล้วแล้วเลือกแล้วอีกจนกระทั่งว่าเขาเล่าออกว่าสุดท้ายเราจะมาปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าใครเราเป็นคนฉลาดแล้วตรงไปตรงมาคนกรมักมสิเนี่ะ มีอย่งก็อินหาเราัดเราบวชแล้วก็ เ, เราเราศึกษาเรื่องนี้แล้วก็บรรยายังบุได้บวช ด, ด้ยยังเผยแพรอยู่สองปีเราเข้าใจ เ, เรื่องพศสองพัห้า 2, รอยมันบ่เราก็มาเผยแพร่เป็นโยมเนี่ยเป็นครหัทเนี่ยอีกสองปีที่นี่ในช่วงสองปีที่เราสอนพอค้นเรามีคนมาปฏิบัติแล้วเราไหลขึ้นแล้วแล้วก็จัดจัดงานอยู่อบรมอยู่วัดบ้านนั่นแหละปรากฏว่าคนก็นมากันหลาย แต่ว่าเนื่องจากว่าเล่าเป็นโยมมันบละเจ้าภาพที่มาซอยเรื่องนักปฏิบัติเามื่อกินหันน้อนอันนี้มันจะต้องได้เรื่องดูปูเสือเขาด้วยมันบอกได้ควบกระเปา๋าเจ้าของอ น, น ะ, อะเป็นชาวบ้านเด้แต่ในเรื่องเราก็มา่อกี้ชนะเบิงโอ้ถ้าหากว่าเขาอยู่ต่อไปเนีานักปฏิบัติเลี่ยงนักปฏิบัติหนึ่งสี่เน่ยลูกเมีย จ, จะเดือดรอดเนีเงินทํากรรมเขามีอยู่ก็จะเมื่ะแล้วว่าทางเส้แล้วบวชดีกว่าบวชเพื่อจะไปบินธบาต เลี่ยงนักปฏิบัติเพราะนั้นเจตนามาบวชในบทเจตนาเยอะ ม, มาอาศัยศาสนาด้แต่อาศัยว่าจะไปบินตา บ, บาดเราไม่เลี่ยงหนักปฏิบัติเรได้หาให้เขานักหาเขาให้นักปฏิบัติกินนี่นะว่านะเออเราพอเป็นตาล้นโตนอยู่เออว่าให้นักครอบครัวถ้าอาศัยครอบครัวไปดูดในญาณว่าเงินท้องของเขาดิมีอยู่มันจะลอยหลอไปอผู้ที่อยู่ที่หลังจะลำบากเราก็เลยมาอาศัยว่าได้พรอบินตบาดเลี่ยงนักปฏิบัติพ่อเราบวช เขาก็สำนักกรรมฐานที่เขาสอนกันอยู่เขาก็ซากือว่าหลวงพ่อเทียนบวดเราก็นิมนต์เาไปบันหันบันนี้การเผยแผ่กันเรื่มไปเรื่อยๆนะตั้งแต่พศสองันห้าร้อยสองเป็นต้นมากเิพันก็รอยเท่าใดสองันหรอยพศสองห้าอยตกับพันก็อยเท่าดพันก็รยเท่าันก็อ้สินี่ยเนาะ เอ่าอ่ะ<ร>อ่ะ 2, าอนัน่นแหะอาจาย์แล้วนปุ่นมาแล้วก็สอนมาเยลยๆอ่ามีไอพระสูงพระอย่างทั้งเมืองล่ากับนิ ม, มนต์เราไปเทศไปสอนมีมีเรื่องหนึ่งแล้วว่างงานของชจ้าคณะเพื่อพระคู่ดมเนี่ยนิ ม, มนต์เราไปอบรมกรรมฐานปรากฏว่ามีหลวงตาผู้นึ่งอ่ไปฟังเล่วเลว้าเราประพ้อใจนะ บอกค่อยใจแล้วก็เลยทักท้วงเล่านะเออคล้ายๆว่าอวดนึงเส้นะว่าเราบริบัติมาได้โดดแล้วยังบอกว่าได้ปนนี้อันนี้อวดว่าบอกมากี่มื่นมาสอนนึงสี่ไม่เชื่อใดอย่างไดอย่างสิ่นะว<อ>่าแล้วแล้วก็ลูกหนีไปหลดออกไปักหน่อยหนึ่งเป่ากิงมกมงแหงนะ่ะักจะมาจะตกเสียหงหัวพระ <c oughs> องค์นายโยมทั้งหลายก็ซาลือกันดว่าหลวงพ่อทีทยออนสักซิดหนึ่งสี่นะเออเออมงดนน เออวันนู้นวันนู้นน่ะวันวันจาวน่ะพี่ว่าแล้วออกไปเช่นี้ตัวไม่ตกเสีหัวหยีตายคนน่ะวันตายจลบจะไหไปแล้วเพรานก็เลยทางทหารมายุ่งกับเบาเบาโกันน่ะลวงพ่เทียนพิณพระละหันคนน่ะอ่าก็เสียกันก็แล้ไปเปิดอารมณ์ใหญ่ค้นกันหลายเลยวันนี้อ่าเบาตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเบาที่จังขังแข็งก็อาจารย์คนอื่นเนี่ยเบาเลยไป เอ้ยอ้ยบอรเราบอกตาสิงตาสั้นเลยเดีอยวเดี๋ยวแมามาพ่อเรา อ, อยู่วัดส่วนแก้วกันถามเราเรื่องเนี่ยหเราเรื่องไอ้ขวดน้ำเลยล่ะเราบอกให้ฟังเมื่อวานมอยู่เทือ น, นึงเมาฟังแล้ววัดสนามในเบอรเราวอาเรื่องหอดเรื่องปฏิจจ ส, สุบาทตอนนั้นนัตตมาปฏิบัติอยู่ไอ้แบบหนอเนี่ยนะ แบบพุทโธแบบอนาปนาสีล้มหายใจนี่ทํากับหลวงพ่อพุทธาดมาสองสาปีอ่ะทั้งปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดปีหนึนี่อเล่าก็มาอ่าในปีนั่นเมืองไทยมันเกิดปัญหาเรื่องไอ้ลอบลากันระวังนักศึกษาประชาชนเนาะนักศึกษาหนีเข้าป่ากันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งบนนี้เข้าป่าก็มาบวชยุวชลประ่านปีสองหนึ่งแปะปรากฏว่านักศึกษาลอยกว่าคน ปีนั้นหลวงพ่อปัญญานันธาจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็เลยไปหาพระกรรมฐ า, านมากเพื่อจะมาอบรมนักศึกษาในมาหาวิหารสององค์พปักใต้องหนึ่งภาคใต้ในพื้ น, เ ป, นเป็นมูเดียวก็หลวงพ่อพุทธทาสปุณณ์เลยขอลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสว่าองค์ไดที่หลวงพ่อพุทธทาสไว้ว่องใจสอนกรรมฐ า, านได้ทรงมากหลวงพ่อปัญญานันธาก็เลยทรงอาจารย์กูวิดเป็นลูกศิษย์เอกของเรานะทรงอาจารย์กูวิทเขมานะท า, ามาก มีทั้งพระอีสานแล้วก็ขอพระกรรมฐานไปทั้งเจ้าคณะจังหวัดเลยเพราะเจ้าคาะจังเลยนะี่เป็นประธานชมรมศีลธรรมแห่งประเทศไทยนะอ่าชมรมพระอีสานทั้งมดหลวงพอ่อจเจ้าคุณจังหวัดเลยพระราดวารมุนีเนะี่ยแล้วก็อขอไปปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยเนะี่ยส่งหลวงพ่อเทียนมาเห็นไหมพระทุ่งพระอีสานเนี่ส่งหลวงพ่อเทียนมาเป็นตัวแทนนะ่ะนะ ถ้ า, านนูัก้วนงอ า, อาจารย์กูวิดมาก็ปรากฏว่าอาจารย์กูวิ ด, ดวเป็ น, เ ป, นเป็นบวชมาหลายปีแล้วมันคยเป็นอาจารย์สอนในมห ah าลัยศิลปกรเนาะเกง่งหมอโกทางวิญ ญ, ญาณวาดภาพ่างต่า ง, างอาจารย์กวิ ด, ด, ดวเนเนมาแ่แะก็ปรากฏว่าในช่วงแรกนี้นักศึกษาพนักศึกษาทั้งหลายนี่ไปห่อหุมตุ่มตอมฟังอาจารย์กวิดพอปุ่นเบามวเบาสนุก ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีความรู้แตกฉานาในระไตรปิฎดดก ฟังที่ฟังไปฟังมาเนี่ยคนฟังด น, ดนดนมันก็สั่ไปสั่มมามันก็เบื่อนอะมันก็เลยเขาก็เลยไปถามหลวงพอ่อวันนี้น่ะถ้าว่าภาคกรรมฐ า, านมีอีกบ้างนะว่าฟังองค์นี้แล้วอยากจะฟังอื่นแน่ใจนี่นะหลวงพ่อวันนี้น่ะถ้วญญ า, า, าว่าก็ น, นึกได้โอ้อีกองค์หนึ่งนี่มันมาจะอีสานอยู่บนอยู่ไทยอยู่หานหลวงพ่อเทียนคนนะว่าก็ น, นึกได้เนะี่ะเขาไปถามมาบางที่พ่อเลาว่าภาษากลางบทนท่านใดนี่นะกาปากฏว่า นักศึกษากันเลยพากันไปหาหลวงพ่อเทียนแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อเทียนวาา่าภาษาอังกฤษเลยเนี่ยฟังออกในบอกนี่ยมีอาจารย์คนนึงอาจารย์สมซ้งเนี่ยที่พานักศึกษาไปบวชไปขอร้องหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอคือบ่าวาา่าภาษาอางกว่าภาษาอังกฤเลยเนี่ยู่ข่าวทั้งหลายฟังบรรลุเรื่องแกอยากจะวะาา่าภาษาอางแต่มันว่าว่าเป็นถ้ามีผู้สอนให้ก็จะว่าเป็นที่เดียวแต่หนูจะสอนให้แล้วเป็นผู้ยิ่งเนาะ มิจะสอนภาษากลางเออก็ดีเหมือนกันเนะี่ยเราก็เลยสอนภาษากงลางหลวงพอ่อสอนได้เจ็ดมือปรากฏหลังอาจารย์หลวงพอ่อบอกภาษากลางได้เสยเลยเนะีย oh, oh. <laughs> วิธีการย่ลรอเอาเล่านี่ยนะรอเดีสอนเนะล่าเน่ยเคยสอนพ่ปรากฏว่าเล่าก็สอนว่าวรภาษากลางเป็นตอนนั้นมีหลวงพอ่อคข้มเขียนอาจารย์ดาวนันนี้ไปช่วยเป็นล่ามนมาตอนแรกๆนะ <c oughs> อาจารย์ที่นี่พอ่อ พ่อคนฟังคอยใจแล้วกนันักศึกษาที่เคยฟังอาจารย์กูวิดหลายๆก็เริ่มไหลกันไม่ต้องพูงดอะไรหมดอ่ะพอมเป็นเรื่องแปลกๆกันนะเออเอามันตื่นเต้นของมาเออนั่งรับตาเฮ็ดง่ายๆนั่งมึนตายเฮ็ดง่ายๆดาว้องนั่งรับตาแล้วก็เฮ็ดสบายๆกับภ้ากันไปฟังเป็นของแปลกนะเวลาถามปัญหายัางไงตอบได้หมดเองสินะอืมที่นี่อาจารย์กูวิดเ อ, อ๊ะเป็นยังไงว่ามีพระหลวงตาบอกวิทยาการโบแกนไป็อย่างคือคนชอบไปฟังไงล่ะ มือหนึ่งคืนหนึ่งเนะ่ยคณะที่บุมีผู้ใดแล้วแล้ ว, แ, ลวแอบไปหาหลวงพ่อเทียนอาจารย์กุวิตนี่นะไปถามว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อยสอนอเคลื่อนไหวมือเนี่ยเอามาจากใสแล้วในพรแต่ดบิดอกปฏิสอนเรื่องนี้ได้ไหมาจารยว่าเพื่อนว่าเพื่นเะพ่นแตกฉันนะพรแตัดตบิดอกพระตัดบิดอกบุมีน่ยกมือสิหลวงพ่อเทียนก็ว่าอาจารย์กุวิทตอนนี้ท่า น, น, นอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบอ พ่อแม่ยังอยู่ว่ยังอยู่จืดได้ ว, ว่าคำแรกที่สุดที่พ่อแม่สอนท่านเนี่ยสอนว่ายังไดในเด็กสอนเปิดกันนึกไปนึกมาสอนจืดได้ไวซิเอาได้พระไตรปิฎกนี่ข้าวเจ้าจานดวงใบล้านเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าไห้ปนินพัน์ได้จักปีก็แล้วก็แข่งถามก็สี่ลอยห้าสิบปีหลังจากพุทธเจ้าปฏิพันไปสี่อยห้าสิบปีจึงั สังฆายาดึงมาเขียนพระเดชพิโดขึ้นก่อนหน้านะัจ้นจำกันมากตอนตอนั้นบวลาอ๋ออันนั้นมันสี่รอห้าสิบปีอันนี้พุนท่านกำลังสี่สิบปีอันนั้นเป็นเท่าไดร่สิบชั่วค้นอันนี้ชั่วค้นบนท่านถึงจำไม่ได้เลยคำสอนของพ่อแม่อันนั้นทั้งสี่รอห้าสิบปีผู้ใดจะจำได้โอ้แล้วเจ้าเสือได้ยังไงาพระเดิโคนเรา่านมาตั้งนี้ทั้งพุนได้สองันกว่าปีแล้วแวก่อนมาเขียนทั้งสี่รหสิปี จะเชื่อได้ยังไงว่ามันถูกจองทั้งหมดเหรอนี่ยเออว่ดตีแสกนาอาจารย์กูวิทอาจารย์กูวิทย์ก็เงือกเธอเลยเลยเนาะไปโบสเฟนเลนเล่าก็้วแมนเขาเราอย่างดีจนวะแต่งแต่หันมาเราก็มีอย่างแล้วก็ไปสงสัยไปถามเดี๋หลวงพ่อเทียนด้วยป่ะนี่อ่าไปถามเอออยู่วันเนี้ยมีอยู่คืนหนึ่งว่าเราเราลงอาจารย์กูวิทย์เราเนี่ยไปหาเราไปขอดักรู้เราอ่ะอ้าวอยังหลวงพ่อมาอย่างบอว่า มีได้ไม่เข็มปอมีมีดครับอาจารย์ก็วิเคราะห์แล้วมหาได้เข็มไปซุ่นจี้ว้อนเนาะเอาเอามานี่ยเราก็ไปหาได้หาเข็มมาเอาได้มาว่างทำมีมีดปอมีอะไรมาแล้วก็แล้วก็บุเรื่องเนาะเราเข้าไปไปหามีดมาให้แล้วก็ฟันกลางได้ป๊อกอันเนี้ยเนี่ยเข้าใจเท่ามามันตกตัดออกจากซีได้ดิบุลจากองซีได้ถือว่ายังบุลูเท่าไหร่ดิเรา <laughs> แล้วก็งงเือนไก่ตแแบบภภาแจว่าหอสอนอยังเล่านะ เ, าเราสอนตัดกิริต้องให้ตั ด, ดอะไรยังสี่ดิตัดกั น, นออกขาดยังสี่เนี้ยมถึงจะหูแจกว่าธรรมะใดเป็นธรรมะใดนะหลายตัวอย่างที่เราสอบอาอรมณ์อาจารย์กุวิตยลเาอาจารย์กุวิตย์ตอบเราว่าใดนะในที่สุดอาจารย์กุลวิทย์ยอมรับเรากราบเราด้วยวะนะกราบเราพอออกคศนสารแล้วอาจารย์ COVID กุวิทยกับบอเดกับส่วนหมกเี่ย มาศึกษาเรื่องนี้ก็เแล้วอาม้เองก็เคยติดมาจากสุนโหมครัหบหลวงพ่อพุทธาก็รู้จักอาจารย์กวิต์มักอ่านหนังสือของเราเราเขียนหนังสือดีได้ปีนั้นออกพรรษาปีนั่นแล้วอาจารย์กวิต์เล่าก็เลยไปไอ้แยกสร้างสํานักอยู่ที่นครนายกตอนนั้นอามะมาเฮียนมหาจุลาอยู่อามะก็ได้ข่าวว่าอาจารย์กวิตย์จะไปสร้างสํานักใหม่อยู่นครนายกอามาก็ น, นั่งไป เราอาจารย์กวิดว่าครับนักศึกษาคุยกัอาจารย์ที่ติดตามโนไปว่าย่ามใดว่าหอดใหลวงโพเทียนเอามาว่าเออหลวงโพเทียนเป็นผู้ใดผู้ใดนะกาถามข่าวหาหลวงโพิเทียนที่ดูซิทแล้วไปนา้าบ่าภของหลวงโพธิเทียนที่แตามอาจารย์กวิดไม่ใช่สองคนถ้าอยากู้หลวงโพธิเทียนต็อไปถามเบิ้งล่างเหลวงโพเทียนให้ว่าเป็นมูที่ดตามบอว่าอาจารย์กูิดนี่ปฏิบัติถือบองสินะเราให้ดูซิทแล้วว่าที่ตามมาสองคน อออาจารย์วินัยคุ้นใบบูนคำนี้ไม่ตีพระองค์นึกเดิมอาม่าก็ไปถามบนหลวงพ่อเทียนเป็นเจ้าใดอยูตต่ใส่ตอนนี้แล้วก็บอกให้ว่ายุวัดชนแก้วอาจารยออกจากหันมาออกจากตรงนั้นเราตั้งอาสงอาสมนวชีวันเนาะอยู่บันดงนครนนยกนะอามาก็ออกมาจากหันม้นน้ำาหลวงพ่อเทียนพราะอาจารย์กูวิดนี่แหละเป็นผู้วอดหลวงพ่อเทียนอามาก็ถามหลวงพ่อเทียนเป็นผู้ใดได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ความกรนี้มาจากเล่้วนะ ปีนั่นปีสองห้าหนึ่งเก้าธรมกรเลตม า, มาว่าสนามในจังหวัดนนทบุรีกะธรมะทิจใจว่าไปเฮี้ยนกนรรมฐานกับอาจารย์องค์ไหนก็นตามแจ่บอกห่อจะเรื่องลูบน้ําแต่เขาบกว่วจแจงรเรื่อเรียงลูปน้ําถ้าหากว่าพ่อหลวงคนเฮี้นดีๆนี่จะทำเรื่องลูปน้ํากันแล้วนะนะเออเลยไปถามกันแล้วเราก็เอาขวดมาเปิดให้เบิ้งนี่นแหละเอะนะอเ น, นี่ยอันเนี้ยลูปน้ำนะโมเมนคําสอนเป็ น, น, นปริศนานะ เป็นพิจษณาธรรมก็ได้ตั้งได้นั้นมากาปรากฏว่าเราง่ายจากวัดส่วนแก่เมาอยู่ดสนามไนเพออ่พอเองเพราะพระองค์หนึ่งดูซีดหลวงพ่อผู้ดูถ้าออกมาจากส่วนหมกแล้วมจาจัดบทเน้นอยู่ว่าส่วนแก่ว่วาเป็นบ้านเล่าหลวงพ่อเทียนว่าโอ้บทนี้เป็นสองสำรวนบอสมุปเราจะกลับอิสานเอาไปเช่นว่าที่นี่ดูซีดหลวงพ่อเทียนก็เลยอาจารย์้องลวนหลวงพ่อคําเขียนคือเลยว่าบุกเบิกวัดสนามใน ทางนุนบุรีแหละจังหวัดเดียวกันอามาก็เลยที่ตามมาวัดไม่เนี่ยวัดสนามไร่เนี่ยก็มาฝึกปฏิบัติอยู่หันกับเราอยู่หันในวิธีการก็คือเราบอกสร้างจังว่าเดินโยงกลุ่มเอา ม, มืองแล้วห้องเรเคยเห็นนะว่ามีแต่นนั่งรับตาเอาตอนนั้นทําหนออยู่เนาะหายใจเข้าห้องหายใจออกหยุ่ห้องนหนึ่ยังทำนู่พ้องอยู่แล้วบอกให้สร้างนจะัง่าแล้วมาก็บอกเห็นแล้วเพราะว่ามัน บุคลีนมดเนั่งมึนตาแล้วก็ยกมือคี้ขีัเกังๆว่าเห็นว่ากรรมฐานนี่ต้องขาขวาทับขาไส้มือขวาทับมือไส่ตั้งตัวตรงแล้รง้สดีมันกำลังร้ลมหายใจอย่างเช่นเมดผู้ใดสอนก็ตามันหมดละแต่นี่สอนแปลกๆสอนให้ยกมือก็พอเห็นแล้วหมดเเอ้เขาก็บรงคูบาอาจารย์ที่ในมหาลัยเน่ยเนี่ยฟังอาจารย์กูวิทย์อาจารย์กวิทย์บอกไปหาหลวงพ่อเทียน่อยสนะ แล้วพวกนี้ก็ไปหานุโวเทียนนเทย น, ทยนก็นพยกายกไม่ยกมือปฏิบัติเา้าเปิดขึ้น เ, นเหตุใดเขาไปอย่างเขาเหตุอะไรเขาก็คุกซึกว่าเออก็เริ่มศึกษาไม่อยู่ตอนหนึ่งอามาเฮียนหนังสืออยู่นะเฮียนถึงสอบวิชาคู่เฮียนถึงมหาจุฬาสอนถึงนักึนักเรียนผู้สาสิเฮียนมาาหาจุฬาน้าไหลอย่างไหเ น, นี่ยก็เลยหอบหนังสือไปเบิงใกล้สอบหอบหนังสือไปเบิงในคำตอบกลางสวนใน ส่วนทุเลี้ยนอยู่ใกล้วัชนามนมันกระไลชุมในหัวหัวหมุนติวติวติวคิดหลายนะกว่าจะสอบยังไงสอบกว่จะสอบกรรมาฐานกวจะปฏิบัติในสี่นะ้มันตีกันเขาก็เลยว่าหนังสือลองมายกมือลองเบิ้งบนเนี้ทั้งทางที่บไริยกหน้าตัวหน้าบนนะลองมายกบนยังมือพานไปสักห้านาทีหัวที่มันหมุนติวติ ว, ตวด้วยความคิดมันลงกนนลงว่านี่ลงวาบเอา้า คือเริสน er. so, ุกไปานี่ยนา่งยกเป็นยกมือตั้งแต่มือนันมากบังเอิญว่าเวลาโยกมันมันหัวมันลงเบาสบายตั้งแต่ฮันมาก็เลยขยันเห็ดไปเนี้ยเห็ดอยู่ในสิบหกมือเข้าใจลู่น้ําไปเนี้ในช่วงที่เข้าใจลู่น้ํำมันนังยกมือกวาดใบไม้เพราะว่าสนามในวลาออกพรรษานี่ใบไม้มาไหลายเนาะโดนเขากวาดใบไม้ตอนแรงสี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยพเน้นกวาดใบ กวาดไปกวมาเนี่ปรากฏวามันนักนักหัวไหลเลยกว่างนักหัวไหลที่ไหเขาเอาสติไปกำหนดบึงหัวไหลบปเลยพอสติกำหนดความติดปวดหัวไหลห้วุบไปเลยนะมันเบาวลยเนี่ยเบาเนื้อบาลดัวขึ้นมากอา้าวอันนี้บอกที่เขาหลุมน้ำํำมาเข้าใจหลุมน้ําตรงที่มานเห็ดไอ้กวาดใบใหม่นี่แหละตั้งแต่หันมาขยันปฏิบัติไปเลยขยั น, ยนปฏิบัติบางมือเนี้เอามายางจุมกลมุมตั้งแต่สองทุม่มสอดแจงหมเลย เลี้กันอยู่สองสามมือปรากฏว่าพ่อมือที่สา ม, มาม่เป็นเรื่องเลยนะ่ยมันไอ้เฮ้ยเขาใครมันเกิดประสาทกับเรื่องใดบุนะ๋นเนาะมันไปเห็นจนไม่จนไม่เนีว่าสำนักไหมันพลิกเอาเอาหาักขึ้นเอาไปลงอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เออเขาก็สีให้พระที่อยู่นั่กันบอกเอเอแ้นไมนะ่ก็ไป็นที่สั่นหน่อยนะเออปลายมันลงไอ้หักมันซี่ขึ้นอย่างนี้นะเลยเลยสีให้พระบอก บ่อนข่าฟังหาองค์ทิฏอารมณ์เลยวัแล้วเขาไปบอกลงพ่เทียนวันนี้ฟอนหลวงพ่อเทียนลงมาสอบอารมณ์ให้เพื่อไอ้เจ้าแค่์เลยนั่งลงบนนั่งขี่นั่งเขียนนี่ได้บอกเขาสอบอารมณ์มันก็ะถิ่นอารมณ์มันแน่นมานนี้อารมณ์อารมณ์ไอ้รูปหน้ามือมันกมันไป็นทิฏฐิปิติสิทนิมิตเป็นวะเขาตั้งใจโพดตั้งใจหลายพนมันเป็นเกิดเป็นนิมิตเข้ามาหลอนมันก็เลยเห็นไปจังสันเพื่อนเรามาแก้อารมณ์ให้ อหลังจากนั้นมาเขาก็เดือดมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีเออเป็นวันพวงเพราะมันเห็ดหลายโพูดนะเขาแบบวัดแล้วมันมันมันรู้ซึ้งมันดีเขาก็ใส่เต็มที่เลยมันบ่าก็ปรากฏมันหลายพูดเหมือนก็เห็ดถ้าวงไปนะเพื่นเขามาแก้ทำไมเพื่อนั้นผู้ปฏิบัตินีถ้าหากว่าปฏิทิอารมณ์ถ้าบ่มีครูบาอาจารย์แก้เงี้เป็นสี่มันพวงมันเพี้ยนไปได้เลยอันนี้สําคัญนะอันนี้ก็ ที่ถามมือก่อนว่าเรื่องหลวงพ่อเป็นยังไกันนี่เราให้ฟังวันนี้นะเนี่ยนะ <laughs> นั่นแกนเข้าได้ปฏิบัติกันนี่เอาหยอดมันมารุดนะนะหยอดมันปฏิบัติในส่วนไอขีเงียมันอาหารมันต่างๆเรื่องคําบอกคํจาจ่าเรื่องไอหนังสืออาหารอุดมบงวอดเห็ดเนื้อเนะี่ยแต่มันยากบนไดนคิดใจเขาเนี่มันเคยคิดเคยจําคําสอนคุัน้นผู้นี้มากมันโอ๊ตบ่ดยนะมันคิดคิเปะะ็นบ่อย ไอ้มาอยู่กับความคิดซื่อๆเนี่ยมันบ่มีอย่างเด้มันง่ายแต่ว่ามันมันบ่มันบ่หายสงมันสงสัยนะมันแมนบอลแมนบอลองนี้ะแต่ความจริงแม่นตัวมันแหละอ่แม่นตัวมันแต่ว่าเขาให้ยังแดดให้มันมันเรื่องใสมันพอใจเชื่อที่จะเห็นในสิ่งนี้นะจิ่ถึงเขาดำพุทธิธาตุบ่มีอย่างแผ่แผ่มาพันมันสะอาดมันพองใสอยู่สั่นเด้แต่คนเขาบุกอุจักมันมีสุคนแหละที่ใจพองใสที่ใจสะอาดมีสุคนแม่ต่้จูดมันก็ยังมี แต่มันบุคุนจักปัดความคิดมาต้องปับมันเดือไปกับความคิดเลยอแต่โบมีความคิดปั๊บมันเดือบโบไม่เงี้ยเลยซื่อๆเหมือนน้ำเนี่ยพอมีนเนต็ตโต๊เลยปั๊บน้ากับคุ้นเหมือน น, นั่นแหละโบอยังโต๊ะไปกับโตรกแต่ก่อนดังนั้นเพียงเพื่นบอกเพียงแต่สร้างสติสร้างสมัมรยัญิมาคอยเบึงตัวนี้ให้ให้ไปจำเท่านั้นนหะให้จิตกับตั ว, นวเนี่ยความรู้สึกซื่อๆเป็นอันเดียวกัน พอจิตกับความมุ่งซึ่งซื่อเปลี่ยนเดียวกันปั๊บเดวความคิดมันต่ำปั๊บนี่มันบททิศด้วยวะนี่มันมันมันมันผ่านไปมันตกไปแต่ถ้าหากว่าตัวมู่งเมียเท้ายวเพศมันหน่อยมันบ่พอความคิดมันมาซูนปั๊บมันก็ดปนไว้น้ากันห่นนะเพราะว่าเขาอยู่ก็มันมาตลอดได้มหนบ่ที่เขาเวียนไหวใจเกิดมาเนี่ยเขาเพราะว่าเขาบ่กหงสจักตัวนี้แหละเพราะน้ะตัวมุ่งซึ่งซื่อหนี่เพื่นว่ามีทุกคนเออนี่พ่านมีอยู่แล้ว พูดถึงบอกว่าน้าในขวเนี่ยคือมรรคนิพพานไม่อยู่แล้วชุ่มข้นแต่เขาวูจักเวลาไปซูนขวดร่มมันกน็หายไปซะเขาก็หาไม่อีกอยู่ใชนะ่ไหะเพื่นว่าถ้าคนบ่มีนิพพานเนี่ยคนบาคนปวงคนประสาทคนไปโลกจิตเนี่ยพวกนี้มันมันผิดปกติเนี่ยจิตที่ว่านิพพานมันถูกบดถูกฝังไปเลยนะเพราะนั้นขอให้จิตปกติขึ้นว่าจิตที่มีสติสัมยาปกติเนี่ย มันจะหูเรื่องนี้ได้สุขคนเหมือนว่าเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ไปบอกให้เป็นหูจักหูจักเราพยายามทําตัวรู้นี้ดูดูให้มันเกิดเป็นปัญญาตัวปัญญาได้เนี่ยมันจะไปรักษามันจะไปแอ้มมันจะไปรู้จักรู้จักเรารักษาตัวนั้นได้คนแบบเหมือนเด็กหน่อยเด็กน่อยตัวงหูซึกงหูเมียมันชัดชัดเลเด็กน่อยบริสุทธิ์สะอาดเวลาเด็กหน่อยเกิดมาเนี่ยนาหักสุขคนเหมือนไลระแต่ยิ่งยิ่มามันเป็นอยังมันได้ซังเหมือนไง จิตมันแปดเปื่อนไปนั่นความพ่อใหญ่บาข้อใจละแต่อ่ามันมันก็มันก็มีแนวนะเมาบังมดมันหุ่มห่อมดเลยนะแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเปิ้ลมันคิดเหมือนเด็กนุ่ยพระอรหันต์นะพ่ออย่างแต่ว่าเปิ้นหูจักรักษาแต่เด็กน้่ยมันมีอันนี้อยู่แต่มันบูหูจักบูมีปัญญาเนี่ยมวยแต่พระอรหันต์เปิ้ลสร้างตัวปัญญาขึ้นมาเพื่อรักษาจิตดวงนี้เอาไว้ก็อยู่กับดวงนี้ดวงนี้ตลอดความคิดมากอเหมือนว่าคองตุ๊กเส้นี้เขาก็ยิบออกนั่นแหละ แต่บอกเด็กน้อยพูดว่าปุถุชนนบูรจักเด้พอโบมิผู้ใด บ, บอกบางที่บอกแล้วะเขาบ่เชื่อเพราะอยัางพ่อเขาถูกขอบง้างถูกพอคุ้นไปด้วยความหูต่างๆที่โบเมนเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องอื่นเรื่องจำลาเรื่องศาสนาเรื่องนิทานเรื่องเล่าทั้งนั้นเขาก็คิดว่านั่นคือศาสนาคือพุทธศาสน า, าแต่ความจริงแล้วพูดว่าโบเมนตัวพุทธศาสน า, าคือคิดลู่ตื่นเบิกบานเนี่ยมันม่อยู่แล้วแต่โบมีผู้ใดมาสี่นั่นนะ พ, พุทธังผู้ที่เจ้าเป็นสัสนนิษฐานแบบกายานมิตสําคัญที่สุดกายานิมิตเป็นทุกสิ่งทุกยอก ย, ย่างหมายความกายานิมิตหมายความผู้ที่มาเสีเ้เฮาเฮาเบิงนี่ยนะแล้วเสียเพลนเฮาทําตามเพล น, นนะ่นะถ้าพบกายานมิตแล้วจะหูจักเรื่องนี้ดีอืดังนั้นในในวิชาชิ ป, ปการเปิ่นเริ่มต้นในกายานมิตคือคูบาอาจารย์ที่มาเสียบอกให้เขาแต่ว่าคูบาอาจารย์ที่มาเสียบอกให้เขาเราหูจักเรื่องนี้ก็โบมันกายานมิตอีกเลยกายานมิตหมายถึงว่าผู้ได้พ่านเรื่องนี้มากแล้วก็ สี่เขาว่าเห็นจุดนี้ได้นั่นเป็นกไก่เอเมดแล้วเขาก็าููจักแล้วเอาไปเหินนั้นเขานั่งอยู่เสียเขาก็มูจักว่ามันมีอยู่แล้วเขาม่ซื้อคู่ตเนี่ยแต่ไปยังเขารักษาบไดแผลพ่อเขาว่ามูจักมีอยู่แต่มูจักอ่ามันเขาว่าไปมีเงินในตังสกุลต่างประเทศเนี่ยเขามาให้เขาเป็นกอบเป็นกำก็บไม่คว้าไม้แงม้มมนบมดอ่ะพ่ออย่างเขาว่ามันเป็นสมบตกของเขานะอ่ะนะออ แต่าหากเรื่องดลลาเนี่ยเอาไปเมืองไทยจะเขาเข า, าบูมจักรดลลาอางคนเขากระทิมแต่ความจริงมันมีคาเนี่ยความผู้สึกตัวซือ่อเนี่ยมันมีคาแต่ว่าเขาบูมจักรเขาใส่บขเป็นเขาก็ไปเอาเรื่องอื่นมาใส่พ่ออย่างพ่อบูมจักเรื่องต่างๆจากพอจากแม่จากสังคมจากสิ่งแวดล้อมมาด้หน่อยเขาก็ไปอาศัยเรื่องเราดันมดแต่ความผู้ซึกตัวซื่อเดือโดยอสรรชาติยานน่ยมันมีอยู่แล้วนะ แต่มันไม่เป็นสัญชาตญาณตัวน้อยๆเวลาห้องหูจักเนี่ยเขาจะพอกพุ้นมาเนี่ยพอกพุ้นสังสมให้มันใหญ่ขึ้นมั น, น, น, มม น, น, มนจะกลายเป็นลักให้จิตจิตก็ไปเพึ่งตัวนี้แหละเอื่นว่าญานเอื่นวายานปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นแสดงทำใหม่ทำมาจักเป็นหัวญานางอุทัพปาริจักคุงอุทัพปาริญาณนางอุทัปาิหมายพราะดวงตาน่ยคือตัวหูตัวนี้เอิ่นว่าตัวญาณมันมแบบหูซื่อเน่ย ญาณตัวนี้เวลาเขาศักษาบริหารไปมันจะกลายเป็นปัญญาญาณนังอุทภะิปัญญาอุทภะิวิชาอุทภะทิอาโลโกุทภะิตันนี้ตัวนี้มันจะพัฒนาไปเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างที่เป็นพระญาณวิญญาณหินเนะี่ยครั้งแรกเห็นตัวนี้แล้วนั้นการที่ยวามาันนั่งเหตุหลายๆนี่เพื่ออย่งเพื่อให้เกิดปัญญาเท่านั้นเดเบยอยงวเวลาสอ น, นเรานเยังกัตามาบ้องเกิดปญญไปเสียเวลาเหตุหรือเป่า ให้ยังกระทำมันเกิดปัญญาแล้วให้หลดุดยากมันนั่นก็เหตุ น, นะว่าแต่ให้มันเกิดปัญญาพอตัวปัญญาเท่านั้นเก็บไปรักษาจิตบริสุทธิ์จิตซื่นนี้ได้นะรักษาได้เหมือนว่ามันเป็นภาฒนาที่ดีนนปัญญาในภาฒนาที่สะอาดในการให้ทานการรักษาสีเนี่เป็นตัวอ่าตัวประกอบตัวดึงเข้าไปหุ้จักเรื่องนี้ซื่นๆมันจะง่ายขึ้นนะอันนี้คือเรื่องที่ลงพอ ไปพอ่อหลวงพ่อเทียนพ่อเหตุอันนี้ตั้งแต่หันมาพ่อคนมากกับปฏิบัติมาแต่เป็นอยังก็หลวงพอ่อได้ทราบเ พ, พีอย่างพาอเข้าเนี่ลังเลเขาเฮียมาไหร่นี่ ย, ล ย, ลยแลผ่านคุบาจาันเมาไหเข า, าบริเชียงย่ายๆ ไ, ได้ไหมนี่ทั้งที่หูจักอยู่แต่บริเชียง่ายๆอ่พ่ออย่างพ่ อ, พพอนี่หละที่มูฮันสร้างกันพ่อเองสเขาฟังเมื่อไหร่เขาเฮียนมื่อไห่แต่ว่ามั น, ม, นมันบดถึกตัวนี้นะบ่ะมีผู้ใดมาบอกตัวนี้ฟังจ๊เทอร์เม่ม่ บ่บอกเรื่องซาดกเรื่องนิทานเรื่องพู้เจ้าเป็นอย่งสันสอนเรื่องสี่เรื่องพัดใจปีดกุกสอนหมดแต่นั่นมันเป็นค้าสอนเพื่อนอสอนคนอื่นบ่แมนเขาจะไปจำว่าตามนั่นแต่เรื่องของเขาเนี่เขาตองหุ่นจักตัวเขานะในการหู่จักตัวเขาตรงมีคนสี่บะเนี้ยคนสี่ตัวนี้ก็อื่นว่าการยานมิตรเอออันนี้เดอร์ตัวนี้เดอร์การยา น, ายา น, นมิตรกัรนี้มัคือมิตรภูผู้ลู่เรื่องนี้มาก่อนอ่ ยังงบอกหลวงพ่อครูบาอาจารย์ยมสมพรนี่นนู้เรื่องนี่เขาก็บอกกันนั่นหมดละหมูเขากัไอ้เห็ด น, น้าทาตามแต่ทาตามแล้วเขามันก็ยังบูชายสงสั ย, ย่างไรเพราะมยังบท่านเห็นมดนั่นหมะบอเห็นพอ่อฟังฟังนี่ทีนะเอ๊ะโตไปนี่ไม่เป็นอย่างนอโตอไปนี่ไม่ยังนอเนี่ยนะทั้งที่เห็นแล้วนะแต่ว่าสายตาของขามับอท่านเปิดมดเลยมัต้องเปิดหูเปิดตาที่นี่พ่อตาเขาเห็นตัวหูซึกงน้อยตัวนี้เขาก็ยนันน้ำไป มันมีอยู่ตลอดเวลาควาสูุ้กหมเมียเวลาจับเขาสังเกตยังไงเวลาระว่ังไปจับอย่างกับบ่บมิสติกับจับอย่างยมิสถิเนี่ต่างกันเมืนบอกอ่าต่างกันจะจับอยัางจะไปรุนไปน้าความคยชินนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าอาสวะอาศวะทำคืออวิชชาแต่พอมาจังสติจับมันคือว่ามีขึ้นมารุนนะนะเหมือนบอกเนนนอนแล้วก็เขาเวลาเขา ตั้งใจเฮ็ดดูดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นกำลังของตัวตัวรู้เนี่ยพอเพิ่มขึ้นมันมันก็มีกำลังมาเนี่ยมัมีกำลังมันก็มาส่องเจ้าของเบื้งกายเบิ้งใจเจ้าของเบิ้งส่องเบื้งตลอดเวลาได้บมเมนตส่องเบื้งบางมื่อเด้เบิ้งมันตลอดเวลามันยังจะเข้ามาสู่กายมันยังเข้ามาสู่ใจเบิ้งมันก็มันก็ชำน้านเสมอนี่แหละเหมือนมันชำน้านเห็นสมอเสมออ่าเนี่ยทำไมว่าเขาเสือเรื่องนี้เด้เขาก็เลยบอกบทหิม แต่มืเฮานี่เสียแน่บรเสียแน่เนี่มดอตอนฟังนี่คือค๊ อ, อยู่เน่ยหมแต่ลูกประ heten ี้อ่ดพบหบดลืมรมดเลยนะเาบผมได้เรื่องอ่นไปหมดเละนะแต่ บ, บอกบอกคลามึงนี้อีกแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจแท้ๆนั้นเออมันจะมันจะเห็นนะเห็นอาการตัว น, นี้แหละจะลูกก็เห็นจะนาก็เห็นจะอเห็นอย่างโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันมีอยู่แล้วด้วยเนี่เขาจะน้ำมันวะนี้ น, น้ำไปน้ำไปน้ำไปน้ำไปความคิดก็จะห่างไปห่างไปห่างไปมันมีแต่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวหูตัวนี้นะ กีหนึ่งเขามันแต่ก็มันอาศัยความคิดเนาะแต่นี้มันบอกอาศัยความคิดมาอาศัยตัวนี้เลยอาศัยตัวหูซื่อเนี่ยจนกระทั่งว่ามันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นตัวของใจใจเขาก็สะอาดมันก็เลยทุกบ่เป็นได้บ่เนี่ยมันก็เริ่มทุกไปเลยบ่เนี้ยเข็ดบ่เป็นโขดบ่เป็นหลบบ่เป็นโคดวนมันก็มีมีอยู่แต่ข้างบ่อบ่เป็นกับมันเองีินะอ่าอันนี้คือสาเหตุว่าเป็นอย่างเขาถึงมาปฏิบัติกันเรื่องนี้ทั้งๆที่เบิ่งแล้วอ มันง่ายๆก็คือว่าหยัก like มันอยักๆก็คือว่าง่ายจริงๆนะมันบนทัานต้องลุ้งผงใจได้ไหมบ่เพราะฉะนั้นก็ต้องเหตุไปเรื่อยๆให้ปัญญามันเกิดหลายๆปัญญาหู่จักหลายๆนั่นนหละพราะหุจักไล่เข้าไล่เข้ามันก็จะเพิ่มเองเหมือนเดียพวกูุจักเออหุ่จักต่อไปจะยิบยังจะจับยังจะไปใส่เนี่ยมันจะทิ่มต่ำตลอดเลยครับแต่เก่านี่ยเขาก็นึกได้เป็นบางครั้งนึกได้คอยมาตั้งใจเหตุแต่นึกบุได้ก็ลืมไป แนวอื่นก็เกี่ยวไปซะ น, น่อยสินะดังนั้นความสงสัยแนวเดียวที่เห็นให้หัวซาว่าเออเวลาเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะอยู่ยังไดจะกินยังไดจะทามาค้าขายคือเกาบ ย, ยังมีลูกมีผัวมีเมียคือเกาบอก่มันก็คิดไปได้วยนี่ญาติบางคนญาติปฏิบัติหลายญาติจะปฏิยบาลญาติานีลูกนี่เมีย ไ, ไปบวชมันคิดไปไกล่นั่นในความคิดมันเออมันบ่นเคยบ่ลึงเนาะ มีแนวนี่แหละอยู่ใส่เป็นใช้ได้หมดมีลูกมีผัวมีเมียสมบัติพัะดุฐานมีคือเขาน่ะแต่มันบทุกไปน้าสิงแล้วนั้นอันวะละลูกใสเสียเมียตายจากสมบัติพักผักมันบทุกคือเกขาได้เหมือนเป็นธรรมดามันก็ดีกว่าเป็นวะละห้าหมูจริงส่ปับในห้าขยันปฏิบัติโอ้มีสมบัติก็มีได้บทุกก็สมบัติมีลูกมีผัวก็มีได้มีเมียก็มีได้แต่เขาบทุกกับมันแต่หมายควาเขามีมาแล้วนะ แต่ว่าเท้าบัวทัานมีแห่งดีแล้วเขาจะบริถก็ศิแล้วเขาเลยบอกวันเวนลาออันนี้ก็ต้องกรรมและส่วิบากไปแต่ยังดีกว่าดีกว่าคนดีบูหูจัก น, นั่นแหะมันจะบวชนะมันได้วันหนึ่งปับ๊บอยากจะมันเบาสบายก็ น, นี้เขาก็ทิมไปเรื่อยๆแบบหลวงพ่เทียนบนวานคุณมีสมบัติเขาจะทานมิยังสมบัติเอ้าไปออกบวชแล้วก็สอนเรื่องนี้ไปเท้าจนแล้วตายแล้วก็บวชเข้าไปหาสมบัติแล้วอีกเจ้าเถื่อนนะ แล้วแต่ลูกจะเอาไปแล้วแต่ผู้ใดจะไปอย่างไรเป็นเรื่องของเราเราไม่ดีพึงทั้งนี้แล้วเนี่ย mm. อต่เหมือนกับพระพุทธเจ้าบนสารละจากบัตจากเวียงจากว่างเงนเวลื mm. มันจะมีจากเขาใดก็ตามโบธอก็สิ่งนี้นะเพราะนั่นยามมาแรงเนีคุยกันหลายเนาะเอาเอาท่นีล้ล่ะควโนทนาสาธุในะความตั้งใจ mm. ต่อเนาะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเออความตั้งใจให้เขามีความเสียอมันความมันคงมีศรัทธา มีปัญญาสามารถเจาะแจงแทงทะลุในคุณธรรมเหล่านี้ในในใจเจ้าของให้ดูแจงเห็นจริงด้วยกันทุกคนทุกทันเทือ